เรามาหัดภาวนาเข้าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิส่วนมากก็สอนกันว่าต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาได้มันถูกเหมือนกันแต่สมาธิมันมีสองชนิดสมาธิอย่างหนึ่งมันสงบอย่างเดียวไม่มีปัญญาทากี่สิปีก็ไม่มีปัญญา สมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมีความอ่อนโยนมีความเบาคล่องแคล่วว่องไวสามารถรู้สภาวะทั้งหลายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โดยจิตไม่ก็เพื่อหมั่นไหวจิตเป็นแค่คนดูเนี่ยสมาธิชนิดนี้อาภัพเป็นสมาธิพิเศษนะสำหรับทาวิปัสสนากรรมฐานจเจริญปัญญา เป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่เกิดอริยามรรคในขณะที่เกิดอริยผลจะเป็นสมาธิชนิดที่สองนี่ทงนั้นเแต่ว่าคนทั่วไปไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยรู้จักคิดถึงการปฏิบัติทำเมื่อไหร่ก็คิดถึงการทำใจให้สงบเมื่อนั้นทำใจให้สงบมันก็ดีได้ความสุขได้ความสงบและมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก่อนจะตรัสรู้ ออกจากวังไปสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงก็คือต้องไปเรียนจากฤาษีไปนั่งสมาธิให้สงบก็คิดแบบที่พวกเราคิดแลหละนั่งสมาธิให้สงบแนละ้วเดี๋ยวจะเกิดวิธีพ้นทุกข์ขึ้นมาท่านเรียนไม่กี่วันนะท่านก็จบหลักสูตรของสมาธิชนิดสงบเพราะว่าท่านเคยฝึกมาเต็มละบารมีท่านเต็มฝึกไม่ยากท่านฝึ ก, กนไปเรียนจากอาราธดาบท ก็เข้าอรูปฌานที่สามได้เข้าฌานที่เจ็ดฌานนี่มันมีแปดชานเป็นรูปฌานสีอันอรูปสี่อันฌานที่เจ็ดเป็นชื่ออากิจญจญายตนะท่านเพ่งความไม่มีอะไรเลยนะก่อนจะไปถึงความไม่มีอะไรเลยที่แรกก็เพ่งรูปเพ่งไปเรื่อย อางอาจจะไม่ในตำราไม่ได้พูดละเอียดว่าตอนท่านเพ่งรูปท่านเพ่งอะไรเพ่งรูปทำได้เยอะอย่างเพ่งไฟเพ่งดวงแก้วเพ่งวัตถุสิ่งของอะไรเงี้ยหรือเพ่งร่างกายเพ่งรูปทั้งหมดแต่ตอนถึงเพ่งนามธรรมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องมีคำอธิบายว่าไปเพ่งอะไรเริ่มต้นของการเพ่งนามธรรมก็จะเพ่งความว่าง ดูไปในความว่างจิตกับความว่างเข้าคู่กันจิตอยู่กับความว่างอย่างพวกเราหัดภาวนาสักพักหนึ่งจิตก็ว่างๆแล้วเราก็เพ่งในความว่างนี่เป็นอรูปที่หนึ่งชื่ออากาสานนาจยัตนะเพ่งความว่างไปเรื่อยนะ้วก็พบว่าความว่างเป็นของถูกดูนะจิตที่เป็นคนไปเพ่งความว่างนั้นมีอยู่ก็เลยมาเพ่งจิต ตรงย้ายมาเพ่งจิตเนี่ยเพิกความว่างแล้วมาเพ่งตัวจิตเรียกว่าวิญญาณนันใจยตนะแต่มาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นไปอีกก็เห็นว่าการเพ่งความว่างซึ่งเป็นตัวอารมณ์กับการเพ่งจิตซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยเป็นภาระให้เหน็ดเหนื่อยก็เลยปล่อยการเพ่งจิตออกไปตอนนี้ไม่เพ่งความว่างไม่เพ่งจิตอยู่กับความไม่มีอะไรเลยนี่ชื่ออากินจัญญยตนะ นี่คือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะไปเรียนจากอราราธดาบทอยู่กับความไม่มีอะไรพอออกจากความไม่มีอะไรนะกิเลสก็ามาอีกท่านก็พบว่ายัางไม่พอก็ไปเรียนต่อกับฤศีกงชื่ออุธธาทากดาบทุทกดาบที่สอนไปถึงเนวสัญญาณสัญญาญตนะเกือบจะหมดความรู้สึกตัวเลยภาวนาจนว่างว่างว่างในโลกนี้หายไปเลยเกือบจะไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่เลย ขนาดฟ้าผ่าเขาไม่รู้สึกนะฟ้าผ่าเนี่ยไม่รู้สึกเลยแล้วออกจากสมาธิมานะสุดยอดของสมาธิลที่ชาวโลกรู้จักออกจากสมาธิมากิเลสก็กลับมาอีกละถ้าไในรู้ว่านั่งสมาธิแบบที่ไปเพ่งอารมณ์ต่างๆเนะมื่อจะเพ่งรูปธรรมหรือจะเพ่งนามธรรม ท, ทั้งหลา ย, ยไม่ใช่ทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็เลยมาทรมานตัวเองเปลี่ยนวิธี ฝึกจิตแล้วต่อมาก็ามาฝึกกายเผื่อว่าจะชนะกิเลสตัณหาได้อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทำให้มันลำบากฝึก อ, อยู่หลายปีนี่อดทนมากหลายปีแทบตายหลายทีบางครั้งสลบไปเด็กมันมาเจอนะมึง ล, ลากแทะมาบีบนมแพะใส่ปากให้ทำไมมันไม่เอาอะไรมาป้อนมันถือวันณกันนะ เด็กวันหน้าต่ําไม่อยากแตะต้องเดี๋ยวจะไม่ถูกต้องไม่ต้องถูกตัวท่านเอานมแพ้บีบใสป่ปากท่านท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็มากหาทางใหม่ละไปนั่งสมาธิให้จิตสงบก็ไม่พ้นไปทําตัวเองให้ลําบากก็ไม่พ้นท่านนึกถึงสมาธิชนิดหนึ่งตอนเด็กๆได้ตอนท่านอายุสามขวบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นว่า พี่เลี้ยงท่านไปดูพระเจ้าสุดโทธนะไถนาไปดูงานแลกนาต่อท่านอยู่คนเดียวถ้าเป็นเด็กอื่นอยู่คนเดียวคงวิ่งเล่นนะนี่ท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเลยอินสนาที่ที่ประกอบด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวมันคือสิ่งที่ท่านเอามาสอนพวกเราทีหลังบอกภิสูจทั้งหลาย ให้เธอคูบันลังคูบันลังคือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าสติเฉพาะหน้าหมายถึงว่ารู้อยู่กับสภาวะที่เป็นปัจจุบันไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปอนาคตอย่างรู้ลมหายใจมีสติอยู่กับปัจจุบันหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจแล้วน้อมจิตให้ไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะ หายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตท่านตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วจิตก็เข้าปฐมฌ า, านท้่จริงการเข้าฌานนะหนึ่งสสาี่าเดดเนี่ยเข้าได้สองที่ที่หนึ่งก็คือไปเข้าที่ตัวอารมณ์ไปเพ่งใส่ตัวอารมณ์ไหมจิตก็รวมสงบลงได้อีกการหนึ่งมาสงบอยู่ที่จิตคำว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยเป็นของที่คู่กันเสมอจิตแปลว่า ธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกจิตรู้ฉะนั้นอะไรที่ถูกรู้เนี่ยทุกอย่างนั้นเรียกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่แค่ emotion อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างตาเรามองเห็นรูปรูปเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยตาเสียงต่างๆเสียงสูงเสียงต่ำนะต่างๆเสียงค่อยเสียงเบาอะไรเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยหู กลิ่นทั้งหลายเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยจมูกนะรสทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้ด้วยลิ้นนะความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเป็นอารมณ์ที่จิตรู้ด้วยร่างกายความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายนะแล้วก็รูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยใจนะจิตไปรู้ด้วยใจรูปธรรมบางอย่างอย่างเราหลับตาแล้วเราเคลื่อนไหวเนะี่ยเราขยับมือเรา Belg รู้สึกใช่ไหมเราไม่ได้ดูด้วยตา หรือเวลาเดินจงกรมนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวอันนี้รู้ด้วยใจไม่ได้ดูด้วยตาเอาตาไปดูจะปวดตาเลยนะงั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์นะมีจิตจิตเป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกจิดรู้สมาธิก็เลยมีสองที่สมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์อันนี้ใช้สําหรับพักผ่อนะเรียกว่าอารัมมณูปนิชานเป็นสมาธิ ที่เพ่งอารมณ์อารมนะก็คืออารมณ์นั่นเองอารามณูปนิชฌานสมาธิเพ่งอารมณ์จิตอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นหัดพุทโธพุทโธจิตไปอยู่กับพุทโธหัดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไปอยู่ที่ลมหายใจหัดตูท้องพองยุบจิตก็ไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าจิตมันจะเคลื่อนไปที่ตัวอารมณ์ท่องพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปในความคิดว่าพุทโธ นะในคำบริกรรมว่าพุทโธจิตจะเคลื่อนไปจิตไม่ตั้งมั่นงื้นสมาธิชนิดแรกอารามณูปนิชานเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ตัวอารมณนะ์อันนี้เอาไว้พักผ่อนก็เอาไว้ทำงานทางโลกอย่างเวลาเราจะทำงานทางโลกจะอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้จิตของเราต้องเคลื่อนไปอยู่ที่หนังสือเราจะดูทีวีนะดูโทรทัศน์ดูอะไรนะดูวีดีโออะไรต่ออะไรนะจิตเราก็ต้องเคลื่อนออกไปดู เคลื่อนไปทางตาเวลาเราจะคิดจิตเราก็เคลื่อนไปคิดงั้นเวลาที่ทําสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เนี่ยจิตเคลื่อนออกไปทั้งสิ้นเลยแต่เคลื่อนแล้วไปหยุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งจะแตกต่างกับคนที่ไม่ได้ทําสมาธิคนที่ไม่ได้ทําสมาธินะันจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดเวลาจิตจะวักแวกวักแวกเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจสลับไปสลับมาอุตรุดเลย ส่วนจิตที่มีสมาธิชนิดารามันูปนิชานเนี่ยมันจะเคลื่อนไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจุดใดจุดหนึ่งมันคอนเซนเทรตลงไปนะมันโฟกัสลงไปที่ใดที่หนึ่งแล้วเป็นนิ่งอยู่ตรงนั้นมีความสุขมีความสงบอยู่เอาไว้พักผ่อนได้เท่านั้นเอาไว้ทํางานทางโลกได้เท่านั้นเอาไปเจริญปัญญาไม่ได้นะตัวเนี้เป็นตัวที่แตกหักเลยตัวหนึ่งเลยนะก่อนที่หลวงพ่อจะเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่22่สิบปี ทำสมาธิชนิดที่ไปสงบอยู่เฉยๆเท่านั้นเองเดินปัญญามไม่เป็นถ้าเดินปัญญามไม่เป็นนะมันก็ทําอะไรต่อไม่ได้จะคิดใจว่าถ้านั่งไปถึงวันหนึ่งนะจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องเลยมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้เจริญปัญญานี่ตอนที่หลวงพ่อฝึกสมาธินะทีแรกเป็นสมาธิที่เคลื่อนเคลื่อนออกไปรู้อารมณ์ไปดูสวรรค์ดูอะไรเงี้ยไปเที่ยว จิตเคลื่อนออกไปทั้งหมดเลยแล้วแต่มากลัวผีนะว่าออกไปแล้วไปเจอผีน่ากลัวก็เลยพยายามฝึกไม่ให้จิตออกนอกจิตอะลยค่อยตั้งมั่นนะมากลับมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยโดยไม่รู้ตัวหรอกว่าฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งละหลวงพ่อเลยได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมาตั้งแต่เป็นโยม ครูบาอาจารย์บางองค์เจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือผู้มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่นั่นเองอย่าหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ถ้าไม่รู้จักชื่อท่านเรียกฉายาเลยว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือคนที่มีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนี่พอหลวงพ่อมีจิตอย่างนี้แล้วเนี่ยไปเจอหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดูลสอนเลยบอกให้ดูจิต ท่านดูจริตนิสัยแล้วเราเป็นคนช่างคิดทำงานก็ทำงานใช้ความคิดเรียนหนังสือก็เรียนเยอะอะไรเงี้ยท่านรู้ว่าเราจริตนิสัยช่างคิดท่านเลยสอนให้ดูจิตตัวเองลูกศิษย์หลวงปู่ดูลบางคนดูกายนะหลวงปู่ดูลเป็นครูที่ยอดที่สุดเลยสอนลูกศิษย์แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันตามจริตนิสัยคนนี้สอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนี้ไม่เหมือนกันหนอก แต่อย่างพ่อเนี่ยท่านสอนให้ดูจิตเลยเพราะเราเป็นคนเมืองเป็นคนช่างคิดไม่ได้ทดํไทาไร่ไถนาอะไรที่จะดูกายง่ายๆดูจิตดูใจนะเรามีใจเป็นคนดูความสุขเกิดขึ้นใจเป็นคนดูความสุขกับจิตใจเป็นโคนละอนกันเนี่ยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถแยกขันได้เวลาสติระลึกรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นอยู่จะเห็นว่ากายกับจิตเป็นโคละอนกันนะเวลาที่จิตตั้งมั่นอยู่สติ ไปะระลึกรู้ความรู้สึกสุขความรู้ส<ๆ>ึกทุกข์มันจะเห็นว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเวลาที่จิตตัง้งมั่นอยู่นะไปรู้ทันว่ามีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมันจะเห็นทันทีเลยว่าความโลภความโกรธความหลงกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันขันมันจะแยกเจนมหาบัวหลวงตามหาบัวสอนเลยนะว่าถ้าแยกธาตแยกขันไม่เป็น mari. อย่ามาคุยกับเราเลยนะว่าเจริญปัญญาอยู <ficou> ่ <aime> ท่านถือว่าไม่ได้เจริญปัญญาเลยอันนี้ถ้าไปดูในตําราอาภิธรรมนะตรงกันนะท่านภาวนาท่านก็รู้ตรงกันหลวงปู่ดูลก็รู้ตรงกันนะในตําราเขาพูดถึงการเจริญปัญญาเบื้องต้นเลยนะอันที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปแยกนามที่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะแล้วมันยังมีความรู้สึกต่างๆนะตัวนี้เขาเรียกว่านามกาย ไม่เฉพาะรูปกายนะที่แยกนามกายคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความจําได้หมายรู้นะความปรุงดีปรุงชั่วพวกนี้ก็แยกออกจากจิตอีกนะทั้งรูปกายทั้งนามกายนี่แยกออกไปหมดเลยพอแยกขันออกไปได้กระจายสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปได้แล้วเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะความมีตัวเราเนี่ยเกิดจากขันทั้งหลายมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกคณะขอละขังนอนูคณะ คือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนพอมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนมารวมกันขึ้นมาแล้วขันห้ามารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยมีจิตเข้าไปครอบครองอยู่สัญญาคือความหมายรู้ผิดๆที่จ ะ, จะเกิดขึ้นเนี่คือตัวเราเพราะน้นตัวเราจริงๆไม่มีมีแต่ความหมายรู้ที่ผิดว่ามีตัวเรามันหมายรู้ผิดได้เพราะว่าไอ้ขันนั่นมันมารวมเป็นก้อนเดียวกันงั้นถ้าจะทําลายความเห็นผิดว่ามีตัวเรานะขั้นแรกต้องหัดแยกขันให้ได้ แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆวนเหมือนอย่างที่ว่าเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันรถยนต์มีจริงๆเรามาจับรถยนต์ถอดเป็นชิ้นๆพอถอดลูกล้อออกมาลูกล้ อ, อก็ไม่ใช่รถยนต์แะแต่รถยนต์มันมีลูกล้อพอเราถอดลูกล้อออกลูกล้อไม่ใช่รถยนต์ถอดกันชนออกกันชนก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดเครื่องยนต์ออกมาเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังพวงมาลัยนาะเบรกคลาดไรเนะี่ย ไม่ใช่รถยนต์สักอย่างเดียวนะถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์น็อตก็ไม่ใชนะ่สายไฟก็ไม่ใช่หลอดไฟก็ไม่ใช่นะเราจะพบว่ารถยนต์หายไปล้พราะเราถอดรถยนต์ออกเป็นชิ้นชิ้นะรถยนต์หายไปล้สิ่งที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็เหมือนกันถ้าสติปัญญาเรามากพอนะเราถอดมันออกเป็นชิ้นชิ้นได้แยกมันออกเป็นชิ้นชิ้นได้ตัวเรามันจะหายไป วิธีแยกก็คือต้องมาฝึกสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้ได้สมาธิชนิดนี้วิธีฝึกนะั้นทำได้2 อ, อย่างอันนึงเข้าฌานนะจนกระทั่งได้ฌานนะเข้าฌานที่หนึ่งอย่างเรารู้ลมหายใจนะลมหายใจแปลสภาพเป็นแสงสว่างเราเพ่งอยู่ที่แสงสว่างนะจิตเข้าฌานถัดจากนั้นเนี่ยรู้เท่าทันว่าจิตเคลื่อนไปที่แสง ตรงที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปที่แสงเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัตินะจิตจะทิ้งการตรึกตรองทิ้งวิตกวิจารณที่แสงตัวรู้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทําสมาธิเต็มรูปแบบเนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นตอนที่เข้าฌานที่2อฌานที่1 น, นะยังมีวิตกคือการตรึกวิจาร์คือการตรองจิตยังเคล้าเคลียอยู่กับตัวอารมณ์สมาธิแท้คือความตั้งมั่นยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราทําฌานไม่เป็นมันก็มีอีกวิธีหนึ่ง คือรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมันก็หลักเดียวกันตอนที่เราชำชาญที่หนึ่งเนี่ยนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์ปฏิภาค น, นิมิตแสงสว่างอะไรต่างๆจิตไปอยู่ตรงนั้นพอรู้ทันจิตไม่เคลื่อนนะจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ได้ตัวรู้ขึ้นมาได้จิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่ารักขนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาศัยรู้จิตที่เคลื่อนไปจับแสงสว่างแล้วจิตก็ตั้งมั่น หลักเดียวกันแต่ถ้าเราทําฌานไม่ได้เราอาศัยรู้จิตที่ไหลไปคิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองความจริงถ้ารู้ว่าจิตไหลแล้วก็จิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติไม่ว่าจะไหลไปไหนนะจิตไหลได้6กช่องไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตไหลจะได้6ช่องทางแต่ช่องทางที่ไหลบ่อยที่สุดคือไหลไปคิด วันๆเราคิดตลอดนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดจนนอนหลับไปยังคิดเลยฝันต่อเนี่ยจิตเคลื่อนไปคิดตลอดถ้าเรารู้ทันว่าจิตมีไปคิดนะการเคลื่อนไปจะดับทันทีเพราะการเคลื่อนนั้นนะ่ะเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีอุดทัตจะเมื่อไรสติเกิดอุดทัตจะหรือกิเลสเนี่ยจะต้องดับอัตโนมัติเพรา ะ, ะแค่เรามีสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะความเคลื่อนจะดับความตั้งมั่นจะเกิด นั้นมันหลักนี่ง่ายง่ายนี่เองคือมีสติรู้ทันกิเลสกิเลสก็จะดับมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เคลื่อนไปสมาธิก็เกิดความฟุ้งซ่านก็ดับหลวงปู่ดูลท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกควาว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คืออย่าปล่อยให้จิตมันเคลื่อนออกไปสเปสสปะออกไปนะเคลื่อนออกไปแล้วให้รู้ทันท่านยังสอนอีกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอก ประโยคนี้หมายความว่าอย่าพยายามไปห้ามมันไม่ให้ส่งแต่ว่าเมื่อจิตออกนอกแล้วให้รู้ทันว่ามันออกนอกนี่ท่านสอนละเอียดนะนี่คนถ้าเรียนฟังท่านไม่เข้าใจแล้วรู้สึกท่านสอนอะไรไม่รู้เรื่องสอนแล้วแปลยากสอนบอาอย่าส่งจิตออกนอกแต่จิตธรรมชาติของจิตต้องออกนอกนะเมื่อจิตออกนอกแล้วให้มีสติรู้ทันท่านสอนอย่างนี้นะถ้ารู้ทันปุ๊บจิตจะไม่ออกนอกจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นภาวะแห่งความตื่นเนี่ยมันจะทันทีที่ภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเคยตื่นแต่ร่างกายจิตของเราไม่เคยตื่นเลยจิตของเราหลับจิตของเราฝันตลอดวันตลอดคืนแต่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปจิตหนีไม่คิดอะไรอย่างนี้จิตรู้ก็เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่านี่แหละคือความตื่นที่แท้จริง คราวนี้เราตื่นทั้งกายตื่นทั้งใจเลยนะมันเหมือนเปิดสวิตออกมาจากข้างในเลยพอความตื่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราถึงจะเดินปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะถึงจะเจริญปัญญาได้จริงการเจริญปัญญาเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันเราค่อยๆสังเกตไปพอจิตเราเป็นคนดูตื่นขึ้นมาแล้วดูลงที่ร่างกายร่างกายนั่งอยู่ ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนนั่งจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นคนยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายเป็นผู้หายใจเข้าเนี่ยค่อยๆดูอย่างนี้เรื่อยไปนะจิตเป็นคนดูร่างกายกําลังกินอาหารจิตเป็นคนดูร่างกายกําลังขับถ่ายอยู่จิตเป็นคนดูร่างกายไปอาบน้ำอะไรอย่างนี้นะจิตเป็นคนดูร่างกายไปแต่งตัว คอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนี่หัดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะนี่บางคนถ้าแยกกายกับจิตไม่ชำนานจริตนิสัยไม่ชอบแยกกายไม่ชอบดูกายอย่างนี้ก็มีเยอะยิ่งคนรุ่นเรานี่นะเป็นนักคิดอาชีพเนี่ยที่จะแยกกายกับจิตบางทีแยกไม่ออกให้แยกความรู้สึกแยกนา ม, มากายความรู้สึกกับจิตออกจากกัน เวลามีความสุขเกิดขึ้นก็ค่อยๆรู้ไปความสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขกับจิตเป็นโครลันกันจะรู้สึกว่าความสุขอยู่นี่จิตอยู่นี่โครลันกันเหมือนเวลาดูกายนะเห็นกายอยู่นี่จิตอยู่นี่แต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากร่างนะมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นบางคนบอกว่าแยกกายแยกจิตก็คือถอดจิตออกจากร่างนะกําหนดจิตลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศแล้วย้อนลงมาดูร่างกายไอ้นี่ไม่ใช่ ไม่ใช่การแยกกายแยกจิตแบบทำวิปัสสนาเนื่อเป็นผลของสมาธิของสมถะแยกนี่มันแยกในความรู้สึกนิดเดียวเองนะมันจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยกับจิตใจมันเป็นคนละอันกันร่างกายเป็นเคลื่อนไหวจิตมันเป็นคนดูความสุขความทุกข์กับจิตใจก็เป็นคนละอันกันความโลภความโกรธความหลงนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นกับจิตใจในีคนละอันกันจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาสู่จิตใจ ผ่านมาช่วครั้งชั่วคราวแล้วความโกรธก็หายไปเกนะิดแล้วก็ดับไปจิตจะอยู่ต่างหากนะจิตกับความโกรธนี่ไม่ปนกันทุกวันนี้เราแยกขันไม่เป็นเวลาโกรธขึ้นมาแลนะความโกรธก็ปนเปื้อนเข้ามาถึงจิตมันกลายเป็นเราโกรธเวล า, ลาความโลภความใคร่อะไรเกิดขึ้นมานะความโลภความใคร่มันมาปนเปื้อนเข้าถึงจิตมันกลายเป็นเราโลภเราใคร่นะหรือว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นนะมันเข้ามาย้อมจิตนะจิตเตลิดเปิดเปิงไป ก็กลายเป็นเหล่าฟุงซานแต่ถ้าจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูจะรู้สึกเลยร่างกายเนี่ยเหมือนคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปละความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนความสุขความทุกข์ของคนอื่นที่เราไปรู้เข้ากุศลอกุศลรลภโกดลงทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะมันเหมือนความโลภความโกรธความหลงของคนอื่นที่จิตเราไปรู้เข้ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเลยมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไป การที่เราเห็นร่างกายนะไม่ใช่ตัวเราเห็นความสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นกิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่ผ่านมาผ่านไปนะเห็นมากเข้ามากเข้านะถึงจุดหนึ่งจิมันจะมีปัญญานะว่าจริ ง, รงๆแล้วตัวเราไม่มีมีแต่สภาวธรรมซึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุแล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่แท้จริงนะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา สิ่งที่เกิดที่ดับนะมันก็ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไรที่แท้จริงเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าเห็นอย่างนี้เราได้ดวงตาเห็นธรรมนะที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมธรรมาจากสุเคยได้ยินไหมธรรมมาจากสุธรรมาจากสุก็คือได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยคือท่านที่จิตใจท่านยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเป็นตัวตนถาวรเลยนะ ท่านจะเห็นอย่างนี้เห็นได้อย่างนี้ได้จิตยอมรับได้ก็เพราะว่าหัดเจริญปัญญาบ่อยๆมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่เรานะสติะระลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่เกิดขึ้นในจิตนะ <S <S จิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นเลยสุขทุกข์เฉยๆเลยไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่แปลกปลอมอยู่ต่างหาก กิเลสเกิดขึ้นสติระลึกรู้โลบโกรดลงเกิ ด, ดขึ้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นโลภโกรดลงก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วยังจะเห็นลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งว่าตัวจิตที่เป็นตัวรู้อยู่เนี่ยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดเดี๋ยวจิตก็ไปรู้นะความรู้สึกต่างๆเดี๋ยวจิตก็ไปรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเดี๋ยวก็ไหลออกนอกเดี๋ยวก็ตั้งมั่น มีแต่ความแปรปรวนเช่นเดียวกับความรู้สึกต่างๆเช่นเดียวกับร่างกาย <_ IS> เช่นเดียวกับแขนอื่นๆนั่นแหละสุดท้ายก็เลยเห็นว่าทั้งหมดเลยนะทั้งรูปธปรรมร่างกายนี้ทั้งความรู้สึกภายในกระทั่งตัวจิตที่เป็นคนรู้ก็ตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันจิตที่เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็กลายเป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้นึกปรุงแต่งเดี๋ยวเป็นผู้ไปเพ่งไปดูรูปไปฟังเสียงมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่เป็นตัวรู้ได้ตลอดฟันตลอดคืน เนี่ยต้องอย่างนี้นะบางคนไปได้ตัวรู้ปุ๊บไปรักษาตัวรู้ไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยตัวนี้ภาวนาผิดนะจะเห็นว่าตัวรู้เที่ยงพวกที่หัดทำสมาธิผิดๆเนี่ยจะไปจับเอาตัวรู้ไวน้นิ่งๆแล้วว่าตัวรู้เที่ยงพวกนี้เป็นพวกเพ่งตัวจิตพวกนี้ทําผิดนะเนต้องเห็นว่ากระทั่งตัวรู้กระทั่งตัวจิตเองก็เกิดแล้ดับเกิดแล้ดับเช่นเดียวกับร่างกายเช่นเดียวกับความสุขความทุกข์เช่นเดียวกับกุศลอกุศลทั้งหลาย ไม่เห็นมากเข้ามากเข้าแบบนี้แหละถึงจุดหนึ่งนะที่มันพอแล้ว่จิตมันจะยอมรับความจริงนะื่องมันเปิดใจรับธรรมะที่แท้จริงเข้ามาสู่ใจของเราว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนถาวร น, นะ ความเป็นตัวเป็นตนไม่มีมีแต่รูปประธรรมนามาทำทั้งหลายที่มารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ไปสําคัญมั่นหมายผิดๆว่ามีตัวเราในความเป็นจริงถ้าไม่สําคัญมั่นหมายผิดๆนะจะไม่เป็นตัวเราแล้วทําไมสําคัญมั่นหมายผิดๆก็เพราะว่าขาดมันมารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันหลอกเรานะมันเหมือนเราเห็นว่ารถยนต์มีจริงๆนั่นแหละแต่พอจับมันแยกดูความจริงของมันแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วรถยนต์ก็หายไป เรามาดูความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะทีละส่วนทีละส่วนดูส่วนของรู ป, ปรธรรมของความสุขทุกข์ของกุศลอกุศลดูส่วนของตัวรู้คือตัวจิตสุดท้ายก็เห็นว่าทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเลยนะก็ลางความเห็นผิดได้อันนี้เป็นธรรมะเบื้องต้นนะธรรมะเบื้องปลายมั่นกว่านี้อีกนะแต่ต้องให้ได้เบื้องต้นก่อนถึงจะมั่นมิงานก็เอาแต่คิดนะอย่างธรรมะข้ามโลกนะโอ้มัน ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเล่ามาแต่ละองค์แต่ละ อ, องนะสู้กันมาดูเดือดสนุกสนุกกว่าไปดูหนังฟังเพลงนะปฏิบัตินี่สนุกมากเลยอาวเชิญไปกินข้าว